เปลี่ยนปรับมุมมองต้องมีมุมในการไปมองให้เห็นใจรักเนืใจมันไปรู้ตัวลแล้วเฉยๆอ๋พอพระเคยได้ยินหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องไปช่วยมันคิดแบบเดี๋ยวเขารู้ของเขเ อ, เ อ, อก็คือใสใ<น>่มุมมองเพิ่มลงไปนี่หลวงพ่อพูดเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเริ่มไปมองใจรักเป็นวิธีช่วยเท่านั้นเลยไม่ใช่ให้ไปคิดเยอะๆนะ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 มันเหมือนไม่ยึดอะไรเลยแต่มันสบายอยู่ตรงนั้นและเบาบางดีนะ<า>มันมีเหมือนกับไม่มีและยังไม่มีมีอีกนะ <c oughs> หนุกโมันเขียนนะมีไม่มีนี้เป็นธรรมที่ล้ำลึกมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนอะไรนะดีละเป็นยัชีวิตไม่ขัดทุนหรอะวันนี้ฟุ้งซานมากเลยค่ะ <c oughs>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 หลงโวอยู่สองคนก็ <G ül> พอมานั่งอะค่ะก็จะเห็นบางทีก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองบางทีก็แบบลงไปจงใจรู้อะค่ะก็สลับกันไปค่ะดีล้ใจมันเห็นอย่างนั้นได้ดีแล้วใจมันตื่นเต็มที่อีกนี่เคยมาไหมน้องชายค่ะไม่เคยมาสอนมาบ้างเปล่าก็ <G ül> ให้ซ d ดีฟังได้ฟังไหมเห็นกิเลสไหแต่ละวัน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 เจอบุญที่ใหญ่แล้วพอเจอบุญเล็กๆน้อยๆแล้วมันจืดว่าท่านถามอ้าวประโมทก็มาใส่บายกับเข้าด้วยเหรอว่าตอบท่านไปซื่อๆนะผมใส่เป็นกิริยาไปอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> โอ้ท่านบอกไมะมันต้องอย่างนี้สิทําไมใส่เป็นกิริยาก็สมควรใส่แล้วก็ใส่เพื่อกูลกับพระอะไรเงี้ยพระไม่ได้หูภาพกินเอง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 อย่างเราเห็นคนน่าสงสารเนี่ยมีความการุณาสงสารน ะ, ะ ide, สงสารป ide, ป ide, ปไปสงสารไปเศร้าใจไปเลยความการุณาพลิกเป็นโทสะจิตเศร้าไปเลย <c oughs> หรือเราเรียกลูกเราลูกเราไปตักฝนเรากลัวลูกเราเป็นหวัดจะเดีย <c oughs> ให้เข้าบ้านลูกไม่ยอมเข้าบ้านนะจับมาตีก่อนนะลูกไม่ทันป่วยเป็นหวัดแล้วก็เจ็บค่ายนะโดนแม่ตีไปก่อนลนะกรุณามั น, ะาานพลิกเป็นโทสะ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 ถัดไปนั้นก็ให้รู้ให้ดูเข้าไปอย่างความเบื่อเกิดขึ้นให้รู้มันไปอีกความเบื่อเป็นของถูกรู้ถูกดูอีกนะยังไม่ใช่จิตอีกเนี่ยไปนอนแช่อยู่กับมันทําไมยังไม่ใช่จิตเราไม่ไปนอนแช่กับมันนะหลุดออกไปอีกจิตใจเป็นกลางตื่นเบิกบานขึ้นมาเป็นกลางรู้กายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเป็นกลางรู้จิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงด้วยความเป็นกลางเห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่มีเราแต่ใจนี่ไม่ทุกร้อนแล้วนะ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 วางมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ตัวนี้เรียก่โคตรภูยานมีโคตรภูทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้นะสิ่งที่ห่อพุ่มธาตุรู้อยู่ถูกแตกทําลายออกไปถูกทําให้ทําลายออกไปจิตเป็นอิสระขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวตัวนี้มรรคนิพพานมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ชั่วแว บ, บเดียวนะสิ่งห่อพุ่มนั้นกลับมาห่อพุ่มใหม่ mm hmm. ห่อหุ่มอีก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 ยังเห็นผิดมานับพบนับชาติไม่ทั่วเ น, นี่ยภาวนาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีนะร่ำร้องหานิพพานแลก็ใจยังสะสมความเห็นผิดไปยังล้างออกไม่หมดนะอาจารย์ก็ถามอีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้พอนั่งฟังอยู่ปุ๊บแล้วมันก็เจ็บมาแป๊บที่ที่จิตเลยอะคะ่ะแล้วมันได้สักพักมันก็ตอนนี้ก็เริ่มคลายเล้สงสัยไหมก็สงสัยไปดูว่าสงสัยนั่นหะได้ถาม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 แต่ก็รู้สึกว่ามันไม่หายสักทีนั่นไหมมันทําไมมันไม่หายสักทีวะเติมเนี่ ย, นนยบอกไม่โกรธนะใจยังไม่ชอบมันนะยังไม่เป็นกลางจริงนะเออให้เรัว ร, รู้ทันนะเออใจคืออ่อที่เขาที่แล้วที่จะนับประมาณหนึ่งนาทีอะค่ะแล้วมันก็ได้หกเจ็ดปดครั้งใช่ไหมคะแต่คราวนี้กลับไปคือจะก็รู้ว่ามันบังคับอะไรมันไม่ได้อยู่แล้วอะกลับไปมันก็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 อย่างหลวงปู่ ด, ดูลินไม่มีสายไหนสายไหนเลยนะหลวงปู ด, ดูลสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันมีทุกสายเลยสอนดูกายก็มีดูจิตก็มีนะสอนสมถาียานิกก็มีทําฌานก่อนสอนวิปัสสนาญาณิกก็มีท่านสอนตามจริตของลูกศิษย์เดีท่านบอกมาอันหนึ่งนะท่านบอกอันหนึ่งบอกว่าต่อไปเนี่ยบอกเมื่อปี26บอกต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นเราฟังเราไม่เชื่อนะ